เหตุปัจจัยที่ทำให้มีนามรูปอย่างนี้คืออะไรเนาะพิสูจน์นั้นคํหนึ่งถึงเหตุปัจจัยของนามรูปอย่างนี้แล้วเนี่ยคํานึงก่อนเออทุกอย่างสรุปว่าโดยรู้กันว่าทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแต่เกิดจากปัจจัยล้วนแต่เกิดจากปัจจัยทีนี้ก่อนอื่นจะต้องกําหนดปัจจัยของรูปประกายนี้ก่อนเนี่ยนะ ทำไมจึงกำหนดรูปปัปจจัยของรูปประกายก่อนเพราะรูปประกายเป็นสิ่งที่หยาบที่สุดเนี่ยนะเมื่อเป็นสิ่งที่หยาบที่สุดจําต้องกําหนดได้ง่ายกว่าอย่างอื่นเนี่ยนะรูปทั้งหลายเนี่ยกำหนดได้ง่ายกว่าอย่างอื่ น, นนะ ท, นนดดนทีนี้อ่านะาาวิธีกําหนดก็กําหนดบอกว่ากายนี่มันเกิดจากที่ใดตอนแรกปฏิเสธก่อนว่ากายนี้เมื่อจะบังเกิดจะบังเกิดอยู่ภายในดอกไม้ทั้งหลายมีดอกอุบลเป็นต้น ไม่ใช่นางปทุมวดีใช่ไหมที่จะเกิดที่ดอกบัวอะนางปทุมวดีในตำนานก็มีอยู่คนเดียวเพราะสรุปว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยไม่ได้คลอดออกมาจากดอกบัวดอกบัวหลวงดอกบัวขาวหรือว่าดอกบัวจงกล น, นีเป็นต้นก็หาไม่หรือคลอดออกมาจากดอกมะลิเลยใช่ไหมผดออกมาจากดอกมะลิดอกกุหลาบนี่ไม่ใช่เลยนะจะบังเกิดอยู่ภายในรัตนชาติทั้งหลายเกิดออกมาจากร้าน ขายเพชรขายพลอยเลยใช่ไหมเพชรเพชรมาวางใก yani ล้ๆกันเลยคลอดเราออกมาไม่ใช่แน่ใช่ไหมเพราะันไม่ได้เกิดมาจากแกว้วมณีแกว้วมุกดาหารเป็นต้นก็หาไม่ ไ, ไม่ได้คลอดออกมาจากเพชรจากพลอยอะไรแต่ถ้าว่าบังเกิดอยู่ในระหว่างกระเพาะอาหารใหม่กับกระเพาะอาหารเก่า น, นะก็คือคําว่ากระเพาะอาหารเก่าหมายถึงไส้ตร ง, ตร ง, อ, ง, ง, อ, งอ่ะออาาองนะไส้ตรงอยู่ข้างล่างไอ้ส่วนข้างบนเลยก็คือกระเพาะอาหารอยู่ข้างบนไส้ตรงอยู่ข้างล่างมันอยู่ตรงกลางตรงนั้นไหม หันหลังให้หน้าท้องหันหน้าหากระดูกสันหลังของแม่นะอันไส้ใหญ่และไส้น้อยแวดล้อมอยู่แม้ตัวเองก็มีกลิ่นเหม็นหน้ารังเกียจเป็นสิ่งปฏิกูลตัวเด็กที่อยู่ในคันเนี่ยเด็กจะมีกลิ่นหอมไม่คิดว่าไม่หอมหรอกเด็กที่อยู่ในคันนะเพราะอยู่ในโอกาสที่คับแคบยิ่งนักนะตัวตัวโอกาสเนี่ยแคบมากอ่ะนะก็ มดลูกเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่เท่าแ e อปเปิลนะนะตอนแรกก็ประมาณแ e อปเปิลนะนะโตขึ้นมาก็แทากําปั้นนะนะแ e อปเปิลงย่อมย่อมหน่อยก็แล้วถามว่ากลิ่นของปันเป็นยังไงก็มีกลิ่นเหม็นหน้ารังเกียบปฏิกูลดุดหนอนบังเกิดอยู่ในสถานที่ทั้งหลายะนะเหมือนนอนในในอะไรนอนในปลาเน่านอนในขนมบูดในแอ่งน้ำโสโครกบอร่อน้าคราเป็นต้นฉะนั้นเนี่ยนะ แสดงว่าสรุปว่าแหล่งกำเนิดที่เกิดมาไม่ได้เป็นของสะอาดหมดจดอะไรสำหรับรูปประกายที่บังเกิดอยู่อย่างนี้นั้นย่อมมีธรรมะห้าประการนี้เป็นเหตุและเป็นปัจจัยตัวเหตุตัวเหตุตหตประการก่อนนะเหตุมีสี่อย่างธรรมที่เป็นเหตุมีสี่อย่างสี่อย่างอะไรบ้างหนึ่งอวิชชาสองตัณหาสอุปาทานสีก่กรรม เป็นเพราะที่เรียกว่าเป็นเหตุทำไมจึงเรียกว่าเป็นเหตุเพราะเป็นผู้ทำให้บังเกิดสมมติว่าถ้าหากว่าเรามีความรู้บ้างเนี่ยนะถามว่าเรายินดีไหมที่จะขอไปฝากคั น, นนะขอคันท่านฝากอยู่หน่อยได้ไหม น, นะขอขอเกิดในคันของท่านเอาไหมอย่างเง้นะก็เพราะอาวิชชานั่นแหละปกปิดให้ไม่รู้ความจริงในแหล่งเกิดตัหาก็เพลดิดเพลินนึกว่าถ้าเกิดแล้วจะดี อุปาทานก็ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ซัดเข้าไปในขันทั้งหลายพอเกิดใอนะไอตัวอวิชชาตันหาอุปาทานกรรมเนี่ยเป็นอวิชชาตันหาเป็นอุปนิสัยปัจจัยคือเป็นประตูปนิสยปัจจัยอวิชชาตันหาอุปาทานเป็นประตูปนิสยปัจจัยกรรมเป็นนานาัคขคณิกกรร ม, มปัจจัยโยนลงไปในคันของมารดา แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคันของมารดาจะต้องเป็นมีการผสมกันเรียบร้อยแล้วนในช่วงโอกาสเจ็ดวันเนี่ยกรรมก็โยนลงไปในคันทีนี้พอโยนลงไปในคันอะไรเป็นปัจจัยอุปธรรมขึ้นละ่ะมีอาหารเป็นปัจจัยอุปธรรมให้ร่างกายเจริญเติบโตขึ้นเพราะการปฏิสนธิครั้งแรกกรรมมชรูป รูปที่เกิดขึ้นในครั้งแรกในคันแห่งมารดาก็เพียงแต่หยดน้ำใสๆนิดเดียวเองนะก็บอกว่าต้องเอาขนขนสัตว์เล็กๆบางๆละเอียดๆจุ่มไปน้ำมันงาสลักเจ็ครั้งจะเหลือนิดเดียวฉันใดก็ก็จริงนะเพราะว่าจะต้องส่องกล้องนั่นแหละจึงจะเห็นเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็โตเอาโตเอาใช่ไหมจากน้ำใสๆกลายเป็นน้าขุ่นข้นจากขุ่นข้นก็กลายเป็นเหมือนกับ นะคุณค้นก็นเหมือนน้ำล้างเนื้อเป็นก้อนเนื้อเป็นก้อนเนื้อก้อนเนื้อก็อ เ, อเจริญแล้วก็เริ่มแตกกิ่งเป็นต้นเนี่ยนะแตกเป็นจาสาขาแต่ว่าพอมาดูในรูปนั้เหมือนม้าน้ําเลย <c oughs> เหมือนม้าน <c oughs> มีหางด้วยนะตอนแรกนะรู้หางมันเริ่มกุดไปเรื่อยๆนะตอนหลังหางมันกุดไปแม้ในธรรมะห้าอย่างเหล่านั้นธรรมะห้าอย่างคืออะไร อวิชาตัญหาอุปาทานกรรมอาหารส่วนสามอย่างเนี่ยนะมีอวิชาเป็นต้นอวิชาตันหาอุปาทานเป็นที่อาศัยเกิดแห่งกายนี้ดุจมารดาเป็นที่อาศัยเกิดแห่งทารกฉะนั้นเพราะถ้าหากว่าไม่มีตันหาวิชาอุปาทานเนี่ยนะไม่ไปยังลงสู่คันบุคคลใดเด็ดขาดนะไม่ยอมเด็ดขาดที่จะยังลงสู่คันใดคันหนึ่งเพราะนั้น อวิชาตันหาอุปาทานนี่จึงเป็นเหมือนแม่กรรมนี้เป็นผู้ทําให้เกิดประดุจบิดาผู้ทําบุตรให้เกิดฉะนั้นใช่ไหมคือกรรมเนี่ยอวิชาตันหาอุปาทานนะพารกิจของเขานําเกิดอย่างเดียวฉันมีหน้าที่ให้แกเกิดอย่างเดียวส่วนกรรมเนี่จะเป็นเลือกตระกูลเลือกนามสกุลเหมือนนเถอะเลือกตรามสกุลเลือกผิวพรรณเลือกอวัยวะเลือกสรีระแกต้องพิการนะแกจะต้องหูดีจมูกดีเป็นต้นก็สุดแท้แต่ กรรมสุดแท้แต่กายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมในอดีตเป็นตัวเป็นปัจจัยให้ทวารครบไหมตาเออตามีครบแล้วตาเอียงตาเขตาเละตาเหลือกตายังไงก็มาจัดอีกทีหนึ่งว่าควรจะได้ตาแบบไหนหูควรจะแหว่งควรจะเว้าหรือหูดีหูยังไงปากละ่ะเนี่ยนะเวลาที่มันมาชนการชนแบบให้เหลือแหวงเหลือเพดานโวหรือเปล่าย่งเงนะก็มาค่อยๆแต่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะแต่งแต่ละส่วนแต่ละส่วนแต่ละส่ว น, วนเนี่ยนะพ่อแม่ก็แต่งไม่ได้ใช่ไหม โอยถ้าแม่แต่งลูกได้นะโอ๊ยทุกคนเกิดมางามหมดเลยเพราะแม่ก็ต้องแต่งให้งามอยู่แล้วละเพราะฉะนั้นก็สุดแท้แต่กรรมมันจะคัดสรรปันส่วนให้สรีระโครงสร้างทางร่างกายเป็นอย่างไรอาหารก็เป็นผู้อุ้มอ่อุ้มชูดูดพี่เลี้ยงอุ้มชูทารกฉนั้นเนี่ยนะก็เข้าไปช่วยเลยนะเริ่มดูดซึมอาหารจากในรกนั่นแหละนะก็กินอาหาร ก็ค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นภ uh ิกษุนั้นครั้นทําการกําหนดปัจจัยของรู ป, ปกายอย่างนี้แล้วก็ย่อมทําการกําหนดปัจจัยของนามกายอีกโดยนัยว่าจักขุอันนี้เร ل, ียกว่ากําหนดปัจจัยของรู ป, ปกายใช่ไหมรู ป, ปกายนี่อวิชาตัญหากรรมคิดง่ายๆว่าตัวที่แต่งให้กรรมมชรุ่ที่มาแต่งแต่งตาแต่งหูแต่งจมูกแต่งลิ้นแต่งปภาษาธากายทั้งหลาย ส่วนไ อ, อการเจริญเติบโตโตเร็วโตช้าอะไรเป็นต้นก็สู่ที่ส่วนของอาหารเพราะอาหารนี้เข้าไปเลี้ยงกายเหล่านี้กายเหล่านี้ก็เจริญเติบโตขึ้นโดยลําดับนะโดยลําดับจนมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายและมีหัตถะอะไรเจริญเติบโตเสร็จทีนี้พอเติบโตจเจริญบริบูรณ์จากโขอาศัยจากโขกับรูปจิตเห็นก็เกิดขึ้นจากโขวิญญาณก็เกิดขึ้น อาศัยหูกับเสียงโสตะวิญญาณก็เกิดขึ้นพราะรูปจะเริ่มเป็นปัจจัยแก่นาม อ, อาศัยจมูกกับเปลี่นคานะวิญญาณจึงเกิดขึ้นอาศัยลิ้นกับรสชิวหาวิญญาณจึงเกิดขึ้นอาศัยกายกับโพธะเกิดกายยวิญญาณขึ้นอาศัยมโนกับธรรมรมทั้งหลายมโนวิญญาณก็เกิดขึ้นอันนี้พวกนี้เป็นปัจจัยของนามธรรมทั้งหลาย นนะรูปทั้งหลายเกิดโดยประการอย่างนี้แลนามทั้งหลายก็เกิดโดยประการอย่างนี้แลภิกษุนั้นครั้นเห็นความเป็นไปตามปัจจัยแห่งนามรูปอย่างนี้แล้วย่อมพิจารณาเห็นว่านามรูปในปัจจุบันกานี้ย่อมเป็นไปตามปัจจัยฉันใดคือตัวปัจจัยห้าประการทำให้รูปเกิดขึ้นปัจจัยคือวัตถุและอารมณ์เป็นปัจจัยให้นามเกิดขึ้น ในชาตินี้เป็นอย่างไรแม้ในอดีตการคืออดีตชาติที่ก็ได้เป็นไปแล้วตามปัจจัยฉันนั้นในชาติอดีตอดีตอดีตที่ผ่านมาพบแล้วพบเล่าชาติแล้วชาติเล่าอวิชาตันหาอุปาทานเป็นเหมือนแม่พาให้เกิดกรรมก็เป็นเหมือนกับพ่อผู้ให้กำเนิดอาหาร อ, อาหารทั้งหลายก็เหมือนกับพี่เลี้ยงนางนมที่คอยอุปถัมบารงให้เจริญเติบโต ภพชาติที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนั้นถ้าอนาคตถ้าเราจะเกิดอีกนะถ้าจะมีชาติใหม่อวิชชาตันหาอุปาทานก็พาไปเกิด น, นะคือถ้ายัางประหารอาวิชชาประหารตันหาประหารอุปาทานไม่ได้เขานําเกิดอย่างเดียวแต่เกิดที่ไหนก็สุดแท้แต่กรรมเนีย่ยนะกรรมจะโยนไปไหนบ้างอ่ะกรรมจะโยนไปนรกเปรตอสุรกายเดรชานหรือไปเป็นปลาสวาย ลาช่อนปลานินปลาดกปลาหมอปลาปลาปลาเข็มปราซิลปลาอะไรก็แล้วแต่นะแล้วแต่กรรมมันจะโยนไปหรือมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์เป็นเป็นโดยวรนนักษัตว์พรามแพทย์สูรหรือจะเลือกทวีปเลือกประเทศเลือกตำบลอำเภอจังหวัดก็สุดแทแต่กรรมมันจะโยนลงไปว่าตกตำแหน่งไหนดีใครเลือกได้หรือยังว่าคนตกตำแหน่งไหนดีในโลกนี้เอาอีกไม่นานแล้วนะเราก็ย้องไปอะไรยังไม่ได้เลือกบ้านกันเลยหรือ แล้วใครจะอยู่บ้างเออเชื่อออีกห้าสิบปีเราคงได้เจอกันอย่างไงรู้ว่าเจอกันไหมสภาพแบบนี้นะไ ม, ไม่เนี่ยนะถ้าผู้การอยู่ถึงห้าสิบปีนะอายุร้อยี่สิเองนะเท่ากับพระนนพอดีเลยนะรอยีนน่สิบพอดีเลยนะอีกห้าสิบปีนะไม่รู้ใครจำได้บ้างหรือเปล่าไม่ทราบนะ <laughs> ไม่แนะไปเยี่ยมโยมันก่อนอายุเก้าสิบกว่าก็ยังแข็งแรงอยู่เลยนะ ยังแข็งแรงยังคุยได้ไม่ไม่เลอะเลือนอะไรบางคนเนี่ยเก้าสิบยังไม่เลอะเลือนอะไรเลยยังแข็งแรงดีด้วย <c oughs> แต่ถ้าพูดถึงธรรมดาทั่ ว, วไปนะเนี่ยอวิชาตันหาอุปาทานถ้าผู้ใดยังไม่กำจัดออกไปสิ่งเหล่านี้เหมือนกับยางเหนียวที่พร้อมจะเพาะขึ้นแล้วมนุษย์เนี่ยนะมนุษย์ที่เป็นปู่ตุชนทั้งหลายเนี่ยเป็นสัตว์ประหลาดเหมือนกันเถอะเพาะที่ไหนก็ขึ้นนะน เพราะที่ไหนก็ขึ้นไม่น่าเชื่อเนะเพราะขึ้นหมดเลยเอืมเ่ยวยวมาเพราะตรงไหนไม่ขึ้นบงังอ่บที่ไหนสิสัตว์เกิดไม่ได้มีไหม อ, อ่ลองค้นดูเถอะใครจะเชื่อว่าฝุ่นที่เราหายใจเข้านัา้นในนั้นมีตัวพญาติอยู่ด้วยมีขันห้าพร้อมอยู่ในนั้นอ่ะนะสามปีเนี่ยมันจึงบางทีสามปีจึงฟักก็มีนะอยู่ในคันเนี่ยขันพยาญธิเนี่ยฝุ่นหายใจเกิดในพร้อมก็ได้ เกิดอยู่ตามพรมเกิดตามผมขนเล็บเกิดตามเนื้อเกิดในลำไส้ก็ได้เพราะได้ขึ้นทุกแหง่งในป่าเขาหิมพันธ์ที่ไหนก็เพราะขึ้นหมดนะนะตามต้นไม้ตามเปลือกไม้ตามกิ่งไม้ตามใบไม้สังเกตดูใบไม้ที่มันม้วนๆอยู่นะเออมันเก่งมากขนาดไปม้วนใบไม้แล้วอยู่ได้เอาเองเนี่ยนะท่านเนี่ยปุตตชนทั้งหลายเพราะขึ้นทุกแหง่งจะเพาะลงเป็นประเภทสัตว์ในน้ําก็ได้นะเพราะในน้ําก็เพาะขึ้น เพาะในนรกอย่างเพาะขึ้นเลยย่งเงี้ไม่ไน่าเชื่อขนาดความร้อนเป็นหมื่นองศาได้ยังเพาะขึ้นได้เอ้าอนกรรมมันตันหาอวิชากรรมเนี่ยมันพาเพาะขึ้นได้ทุกผลทุกแห่งทุกพบทุกภูมิแต่ว่าเพาะเป็นเทวดานี่เพาะยากห น, ออ น, นทําไมอ่ะก็เพาะบ๊เพาะคือชวนทําบุญทํายากเหลือเกินเนี่ยนะดูจากตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาจเจริญกุศลจเจริญยากเพราะฉะนั้นสุขคติจึงยาก แต่สมมติเราชวนให้ใครกโกรธนะแป๊บเดียวเนี่ยนะลองโวยวายขึ้นมาสักทีเนี่งคนอื่นจะตกใจหมดนะชวนให้โลภ ก, ก็ไม่ยากชวนให้โกรธก็ไม่ยากแต่ชวนให้เกิดกุศลเนี่ยชวนยากยากเนะนะโดยเฉพาะกุศลที่มีปัญญาประกอบยิ่งยากบอกว่าฟังไม่รู้เรื่องมาเลยดีกว่าก็เลยไม่มาเลยบางคนบอกฟังไม่เห็นรู้เรื่องเลยเคาว่า ง, งั้นเพรา ะ, ะปัญญาเนี่ ย, พยเพราะยากเพราะให้เกิดในเพราะกรรมที่นําไปเกิดในสุขติทั้งหลายจึง เพราะยากแต่ว่าพูดแบบสรุปปุตุชนทั้งหลายเพราะขึ้นทุกแห่งนะเพราะจะเพราะเกิดในมนุษย์ในเทวดานรกเปรตอสุรกายหรือในโลกเนี่ยเพราะได้ทั้งสัตว์น้ําเพราะให้เป็นสัตว์บกก็ได้เพราะให้เป็นสัตว์2เท้าสัตว์4เท้าสัตว์มากเท้าเท่ากิงกือก็ได้นะก็แล้วแต่จะเพราะให้มันเกิดที่ไหนเพราะให้เกิดใต้ดินเกิดบนดินหรือเกิดในคล้ายๆเรียกว่าเกิดในอากาศแบบนกก็ได้เนี่ยนะเพราะขึ้นทุกฝนทุกแห่งได้หมดเลย สรุปว่าอดีตก็เป็นอย่างนี้แหละอดีตอวิชาตันหาอุปาทานกรรมก็อาศัยอาหารเจริญเติบโ ต, ตหล่อเลี้ยงมาชาติหน้าที่จะมีต่อต่อไปก็เหมือนชาตินี้นี่แหละแต่ว่าไอ้คาว่าเหมือนเนี่ยใช่ไหมนะซื้ออย่างที่กล่าวบอกว่าซื้ออะไรมาเหมือนเพชรเลยเนี่ยนะราคาเท่าเพชรพอดีจะจะดีใจไหมทถ้าใครทักเราอย่างนี้ไหมอย่างที่คุณนายว่านะโอ้ยซื้ออะไรมาเหมือน เหมือนอะไรนะเหมือนแกะเหมือนไทยลินเลยอย่างเงี้ยทำมาตกใจเลยนะถ้าบอกว่าใช่ก็ยิ่งดีนะถ้าบอกว่าเหมือนนี่ทําใจไม่ได้เลยนะบอกอะไรในโลกนี้ถ้าบ่าเหมือนคือในความเป็นรูปประคันเนี่ยเหมือนกันโดยรูปประคันแต่โดยสีโดยสันฐานโดยโอกาสโดยปรเททยิปรเชษเป็นต้นไม่เหมือนกันหรอกเนไหมนะเวทนาขันเนี่ยเวทนาเหมือนกันแต่ว่าสภาพของเวทนาก็มีความแตกต่างกันสัญญาสังขารและ วิญญาณเหมือนกันในความเป็นขันห้าเหมือนกันในความเป็นชาติชรามมรณะโสกะปริเทวะทุกโทโมณตและอุปาย า, ยาตยเหมือนกันในความเป็นกองทุกข์นั้นถ้าเกิดมาใหม่เหมือนกันในต้องแต้องบริหารขันต่อไปนะแกต้องเลี้ยงดูขันของแกต่อไปจนกว่าจะตายตายแล้วก่อนจะตายเนี่ยแกก็สร้างขันขึ้นมาใหม่ไปด้วยอันนี้เหมือนกันหมดมันก็เลยสาวไปหาปัจจัยได้ในชาตินี้ ที่เรียกว่าอาวิชาตัญหาเป็นเหมือนแม่พามาเกิดกรรมเนี่ยเป็นตัวจัดสรรว่าควรจะไปเกิดณนะที่ใดตระกูลเป็นอย่างไรผิวพรรณเป็นอย่างไรรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงตาหูจมูกลิ้นกายใจสมประกอบไหมผมขนเล็บฟันหนังโครงสร้างทางสรีระทั้งหมดกรรมเป็นตัวจัดสรรให้ทั้งหมดเลยแล้วก็กรรมที่มาจัดสรรโครงสร้างทางสรีระไม่ใช่กรรมเดียวกัน กรรมมาแต่งตาซ้ายก็อย่างหนึ่งกรรมที่มาแต่งตาขวาก็กรรมหนึ่งแต่งหูซ้ายหูขวาแต่งผมแต่งขนแต่งเล็บแต่งฟันแต่งหนังแต่งผิวหนังแต่ละส่วนส่วนหัวส่วนหน้าส่วนหลังส่วนข้างซ้ายข้างขวาส่วนแต่ละทุกสรีระเนี่ยนะมาจากโรงงานผลิตโคเลชิ้นโคเลชิ้นโคเลอย่างเหมือนอย่างว่ารถยนต์หนึ่งคันที่ออกมาวิ่งบนถนนเนี่ยนะตัวที่หลอมเนี่ยคือเบ้าเดียวกันไหม หนะล้อมทั้งคันเลยนะคือเบ้าเดียวกันนะที่ล้อมมาเป็นนอ็อตเป็นสกรูเป็นลอ้อเป็นยางเป็นพวงมาลายัยเป็นฝากระโปรงเป็น เ, เป็นคัสซีเป็นทั้งหลายแหล่ในโครงสร้างของรถทั้งหมดเนี่ยตัวเบ้าหลอมนี่คนละตัวคนละตัวฉันใดสรีระทางร่างกายก็มาจากโคนกรรมโคนกรรมคนลกรรมก็ฉันนั้นทีนี้อา้าวแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงว่ากรรมตัวไหนมาพาแต่งอะไรคำถามนี้ผมอา จ, จะถามคืนนะบอกว่าคนเนี่ยที่คุณโตมาเพราะกินข้าวใช่ไหม ใช่คุณกินข้าวมือไหนผมคุณยังเป็นอย่างนี้เล็บคุณยังเป็นอย่างนี้ฟันยังเป็นอย่างนี้ตอบได้ไหมตอบไม่ได้เอ า, เอ า, เอาจริญเติบโตเพราะกินอาหารมาไม่ใช่หรืออาหารมือไหนทําให้มีเล็บแบบนี้อนะและกี่มือบวกกันตอบได้ไหมขนาดนั้นได้ถ้าเป็นพระพุทธเจ้านะแต่ถ้ายังไม่เป็นพระพุทธเจ้ารู้ว่าเออสิ่งเหล่านี้เกิดจากเหตุก็แล้วกันเพราะในสังสารวัตเราทํำกรรมมากขนาดไหนคิดดู ก็วันนี้นะกรรมเนี่ยเราทําตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาปับนะ๊บเนี่ยมนกรรมเริ่มทํากิจเสร็จแล้วบางคนยังไม่ลืมตาแล้วบ่นก่อนลนะว่าจีกรรมก็ทํางานต่อเนะี่ยขยับตัวก็กายกรรมเริ่มมาเรื่อยเลยนะก็ทํากรรมตั้งแต่เชา้าเนี่ยนะจนถึงอ่ะหลับไปตื่นขึ้นมาทํากรรมต่อเนี่ยนะมนุกรรมตัวไหนอยาให้ผลก่อนใช่ไหมมันเยอะแยะขนาดนี้ไปหมดแล้วนะแล้วมันไม่ใช่ของชาติเดียว ไม่ใช่ชาติเดียวกรรมที่มันนาเกิดอย่างนี้ไม่ใช่กรรมชาติเดียวกรรมในอดีตชาติเพราะกรรมเหล่านั้นเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปว่ากรรมบางอย่างให้ผลในชาตินี้กรรมบางอย่างให้ผลในชาติหน้ากรรมบางอย่างให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปกรรมมันก็ทากิจไปเรื่อยแต่พูดถึงคําว่ากรรมเนี่ยนะโดยศัพท์นี้เป็นคําที่ยังยังไรเป็นคําที่ถือกว้างกว้างอยู่เพราะกรรมนี้แบ่งออกเป็น กุศลกรรมก็มีอกุศลกรรมก็มีกรรมดาก็มีกรรมขาวก็มีกรรมไม่ดาไม่ขาวอาริยมรรคกรรมเนี่ยนะที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมอันนี้ยังไม่มีอ น, นะคือผู้อื่นอะมีพระโสดาบันเป็นต้นท่านมี้แต่เราเนี่ยยังไม่มีอนนะถ้าใครมีก็อนุโมทนาด้วยนะทำบุญยังไงมานะันจึงได้มีกรรมเหล่านั้นได้ อยากจะทํากรรมแบบนั้นอยู่เหมือนกันเน่ยนะเมื่อไหร่จะทาสำเร็จนะกรรมตัวนั้น น, นะกรรมไม่ดําไม่ขาวที่เป็นไปเพื่อสิ้นเวรสิ้นกรรมเสียทีหนึ่งนะเพราะถ้าถือว่าสิ้นกรรมก็ถือว่าเป็นอันสิ้นเวรใช่ไหมผู้ที่ศึกษาอย่างนี้ก็สามารถที่จะแบ่งได้อย่างนี้ว่าผลที่เกิดในปัจจุบันชาตินี้อันนี้ถ้าถ้ากำหนดได้ตั้งแต่เอาเอาตั้งแต่เกิดเป็นหลักเลยไหม ขณะที่เกิดในคัมเป็นหลักก็ถือว่ากรรมในอดีตเป็นปัใจจัยให้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเกิดขึ้นในในคันนี่พอเจริญเติบโตมาก็เริ่มซับซ้อนบ้างเพราะว่ามีกรรมบางอย่างที่ทําในตอนเด็กให้ผลในตอนกลางคนให้ทนในตอนกลางเอ่อตอนต้นตอนกลางและตอนปลายคนสมมุติถ้าชีวิตของเรามีอายุร้อยปีเนี่ยนะ เราทำกรรมเนี่ยเริ่มตั้งแต่พูดได้ก็เป็นวจีกก ร, ร ม, มาแล้วนะบางคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยนะพูดแต่คำหยาบตั้งแต่เด็กๆเลยนะนะไม่รู้ไปขันสันหาคำด่ามาจากไหนไม่รู้ตัวนิดเดียวเนี่ยเริ่มพูดเป็นเนี่ยมันด่าเก่งที่สุดเลยา น, นะเมมาเคยเห็นเเคยเห็นเคยได้ยินกับหูเลยนะอุ้ยแต่ละคำมาเนี่ยเราทำใจไม่ได้เลยอ่ะ ไม่รู้ไปสรรหาพ่อแม่ก็พูดดีนะัก็ไม่เห็นว่าเสียหายอะไรแต่เด็กคนนี้นะพอ พ, อพูดเป็นปั๊บเนี่ยอุ้ยคาถาคำด่านะมีแต่คํานู่นะเปรียบเทียบกับสัตว์สี่เ้าบ้างสัตว์สเท้าบ้างสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําบ้างอย่างเงี้ย น, นะอนะแต่ละคํามาก็เป็นเรียกคนอื่นเป็นตัวเงินตัวทองไปหมดอย่างเงี้ยอนะนะไม่รู้สัดหาคํามาจากไหนก็ไม่รู้ทุกคําเหล่านั้นล่วงกันมาบทหมดเลยเพราะเรียกด้วยโทสะพูดด้วยโทสะเนี่ยนะนะ แล้ว ก, แวก็แล้วเป็นคนขี้โกรธโวยวายด่าเก่งด่าพ่อด่าแม่เป็นต้นพอโตขึ้นมาหน่อยก็เริ่มข่าตัวเล็กๆข่าตัดเป็นนะนะตตปุ้ยข่ายุงข่าอะไรเป็นต้นพอโตขึ้นมาหน่อยก็เริ่มรักเป็นโตขึ้นมาอย่างสมัยใหม่ก็เริ่มกาเมสุมิจฉาจานชํานาญมากเลยอย่างเงี้ยมูสาวาดนี้ไม่รู้ใครเสี่ยมใครสอนตั้งแต่เล็กกันน้อยเนี่ยมันเป็นมาเองโดยธรรมชาติยังไงก็ไม่ทราบนะนะบางคนมานี่ก็เริ่มติดยาเสพติดตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยแล้ว โอขึ้นมานะตอนแรกก็เริ่มติดพวกยาดมไอพวกประเภทไอตระกูลยาเสพติดแบบดมต่อมาก็เริ่มดื่มสุราหนักๆเข้ากับเพิ่มปริมาณมากขึ้นมากขึ้นบางคนนี่ฝึกพยาบาทคนอื่นมาตั้งแต่เล็กกับน้อยเลยนะผูกเวนเป็นตั้งแต่ตัวกระจี๊ดเดียวเนี่ยนะโอ้ยสิบยี่ปีก็ไม่ลืมะนะบางพวกก็ชอบเป็นตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยนะสรุปว่าทํากรรมมาตั้งแต่เริ่มทํากรรมมาพอเริ่มทํามาอย่างนี้ปะ กรรมที่ทําในตอนต้นๆก็จะให้ผลในตอนต้นด้วยตอนกลางด้วยและตอนปลายด้วยบ้างนะบางคนก็ทํากรรมในตอนกลางคนก็ให้ผลในตอนกลางคนและให้ผลในตอนปลายคนบางคนก็ทํากรรมในตอนปลายคนให้ผลตอนปลายแล้วก็รอพบใหม่ชาติใหม่เป็นต้นสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปอย่างนี้อันนี้คือหลังจากเกิดถ้าหลังจากเกิดมาเนี่ยนะแต่ตอนเริ่มเกิดมาเนี่ยเป็นผลของกรรมในอดีตชัดเจน แต่ว่าหลังจากเกิดมาแล้วเนี่ยบวกกับกรรมในปัจจุบันด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายเขาไม่โยนทุกเรื่องให้กรรมในอดีตหมดเลยแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ปฏิเสธกรรมในอดีตเนี่ยนะไม่ปฏิเสธกรรมในอดีตคือผู้มีปัญญาเขาบอกว่าทุกเรื่องเออโยนให้ฟ้าดินในอดีตหมดโยนให้กรรมในอดีตหมดก็ไม่ใช่ขณะเดียวกันเขาจะเชื่อแต่กรรมในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงก็ไม่ใช่ ก็เหมือนอย่างว่าชีวิตเราวันนี้ที่กาลังเป็นไปเนี่ยปฏิเสธเมื่อวานปฏิเสธเมื่อปีก่อนสิบปีก่อนที่แล้วได้ไหมปฏิเสธไม่ได้แล้วกรรมในวันนี้จะเอาแต่ยกให้แต่อดีตทั้งหมดเลยได้ไหมไม่ได้ก็เอาของวันนี้เข้ามาประกอบด้วยฉันใดกรรมทั้งหลายที่เป็นไปก็ลักษณะเช่นนั้นนั้นความเป็นไปของแต่ละพบแต่ละชาติก็เป็นอย่างนี้แลเมื่ออดีตชาตินี้ฉันใดอดีตก็ฉันนั้น อนนะอ้าวแล้วเราระ ล, ลึกชาติไม่ได้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นอดีตอดีตมีจริงอ่ะ น, นะเพราะเราลืมแล้วอ่ะนะก็เอาเถ้าพูดแบบภาษาหนึ่งนะคุณไปกู้สตังค์ใครไว้เยอะแยะไปหมดแล้วแล้วก็แกล้งทำเป็นลืมในที่สุดลืมจริงๆเลยแล้วตอนหลังเขามาทวงบอกไม่รู้ผมจำไม่ได้ผมลืมหมดแล้วเนี่ยนะเขายอมไหมเขาไม่ยอมรอก ก็สังเกตดูนะเวลาป่วยเนี่ยเขาจะเตือนมาก่อนอเดี๋ยวแกจะป่วยนะฉันจะมาทวงกันเลยนะเพราะฉะนั้นก็บอกได้ปัจจัยปัพ๊พวกทวงให้ป่วยเลยทันทีพร้อมที่จะไม่สบายไอ้ที่ป่วยๆอยู่ก็พร้อมที่จะหายถ้ากรรมเข้าเป็นปัจจัยเพราะในโลกของกรรมนี้มีเรื่องอะไรที่จะกล่าวอีกยาวพอสมควรแต่ว่าอันนี้เริ่มเรียกว่าอารัมพบทในหน่อยไว้ก่อน จะขอถามพระอาจารย์นะคะว่าที่ี้พระอาจารย์บอกว่าต้องตั้งแต่ว่าวานนี้ชินจะขอถามตรงนี้ว่าที่เราต้องพิจารารูปก่อนนะคะแล้วเหตุอะไรที่เราต้อง เ, ออเหมือนว่าที่มาเรียนแล้วเหมือนว่าพิจารารูปที่มีขันหา้ามมากกว่ารูปที่ไม่มีขันหา้าคือแล้วเหตุอะไรที่เราต้องพิจารณาเหมือนว่าส่วนมากทุกคน สู ม, มารชินนะ ค, ะคิดว่าเราเกิดภายนอกแต่เหมือนว่ามาต้องเรียนก็คือมามาเรียนรูปนี้มากกว่าแล้วเราเรียนรูปนี้มากกว่านี้จะละรูปข้างนอกอย่างไรฮะพระอาจารย์เข้าใจคําถามของโนไหมคะเข้าใจคือบางทีเนี่ยนะของเราเนี่ยมัน เอกิเลตเนี่ยนะเราติดทั้งภายในทั้งภายนอกมันซึมไปหมดเลยนะถ้าเป็นกล่มแบบกลมหนึ่งก็คือเป็นกล่มยางเหนียวที่มันฉมไปหมดเลยนะเห็นภายนอกเราก็ไม่รังเกียจเห็นภายในเราก็ไม่ชังคือแล้วถามว่าชีวิตของเราเราคิดถึงแต่สิ่งภายนอกเลยหรือและชีวิตของเราเราคิดถึงแต่สิ่งภายในเลยหรือเราก็คิดทั้งภายในและภายนอกตอนคิดภายนอกกิเลตก็เกิดปรารถภายนอกตอนคิดเรื่องภายในกิเลกก็ปรารถ ภายในเพราะฉะนั้นจะต้องเอาทำปริญญาทั้งภายนอกและภายในเนี่ยนะทั้งภายนอกและภายในสรุปว่าคิดถึงภายในกิเลสเกิดภายในคิดถึงภายนอกกิเลสเกิดภายนอกอันโตชะตาประหิชาตาเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายชัดทั้งภายในชัดทั้งภายนอกหมู่ประชาเนี่ยที่ถูกชัดคือกิเลสตัณหามันรุมรัดขนาดนี้เนี่ยนะจะสางมันได้ยังไงเนี่ยเทวดาเข้าไปทําำขปารบอะไรบ้างที่เรารังเกียจ บางทีก like ็รังเกียจแต่รังเกียจด้วยโทสะไม่ใช่รังเกียจด้วยปัญญาอะไรเพราะวัตถุทั้งหลายก็ถือว่าเป็นที่พอใจทั้งหมดเชื่อไหมเราพอใจข้างนอกเพราะเราพอใจข้างในเราชอบภายนอกอยู่เพราะเรายังพอใจภายในอยู่เพราะถ้าเราพอใจข้างนอกเท่าไหร่แสดงว่าพอใจข้างในมากเท่านั้นถ้าพอใจข้างในเท่าไหร่เราก็ยินดีข้างนอกเท่านั้นเพราะวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจมีทั้งภายในมีทั้ง ภายนอกเนี่ยนะงั้นการพิจารณาโดยความเป็นขันธาตุอายตนะจึงต้องพิจารณาทั้งภายในทั้งภายนอกเรามาคิดดูนะว่าจริงๆเนี่ยถ้าถ้าสังเกตโดยโดยคำพูดเนี่ยจะรู้ว่าใครคิดภายในมากหรือใครคิดภายนอกมากดูจากคำพูดเดี๋ยวถ้าใครพูดปรารบตัวเองมากนะคนนั้นติดภายในมากใครที่พูดถึงข้างนอกมากคนนั้นติดข้างนอกมาก อัน น, นี้โดยชีวิตเพราะใครคิดอะไรมากจะพูดอันนั้นมากแล้วยมเินคิดอะไรพูดถึงอะไรมากก็ น, นั่นแหละก็จะถามพระอาจารย์ว่าอย่างเช่นเชนเห็นตู้ใช่ไหมคะตู้หนังสือเชนเราจะพิจารณายังไงว่าโอเคเราติดในตู้แต่เราก็ติดในดวงตานี้ด้วยคือเราจะพิจารณาเชนมีความรู้สึกว่าใน ช, ชีวิตประจำวันเชนติดในภายนอกแต่จริงๆลึกๆ ไม่เคยพิจารณาว่าเราติดในในสัญญาไม่ได้พิจารณาว่าเราติดในภัยออินซีห้าที่อินซีห้าตรงนี้ค่ะจริงมันติดทั้งหมดนั่นแหละแต่ถ้าเปรียบเทียบนะตาเห็นตู้เนี่ยดูเหมือนชอบตู้เป็นพิเศษแต่ถ้าตั้งคําถามว่าถ้าตาเออตู้นี่มันขุดหมดเลยกระตาขุนี่จะเลือกรักษาอะไรก่อนก็ต้องเลือกรักษาตาก่อนใช่ไหม อย่างสมมติอ่าสมมติถ้าเห็นเห็นคนข้างนอกเราชอบคนข้างนอกถ้าไฟไหม้บนหัวเขาก็ไหม้บนหัวเราก็ไหม้เราจะดับไฟหัวใครก่อนถ้าเขาก็ป่วยเราก็ป่วยดูแล้วเราทำท่าจะไปรักษาใครก่อนเป็นคนแรกอ่ะนะคือเช่นบางเขาเนี่ยสมมติเขาก็ป่วยเราก็ป่วยจะไปหาหมอเถอะไปหาหมอเถอะชวนยังไงเขาก็ไม่ไปแล้วเราก็ยังป่วยอยู่ตามเดิมเนี่ยนะเราจะทายัางไงในที่สุดเราก็ต้องเลือกเอาเราก่อน โดยรวมๆและจริงๆนะสัตว์ทั้งหลายรักภายในมากกว่าภายนอกเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญาเมื่อตัดชันธราค้าในภายในได้ไม่มีอะไรที่จะตัดภายนอกไม่ได้ที่ยังตัดภายนอกไม่ได้ก็คือยังตัดภายในไม่ได้นะก็ที่เพราะตัดภายในไม่ได้เหมือนว่ารักภายนอกเหลือเกินรักภายนอกเพื่ออะไรเพื่อให้เข้ามาช่วยดูแลภายในให้หน่อยนะพูดจริงๆเลยนะ สมมุติถ้าเรามีบ้านแล้วบ้านนั้นสร้างปัญหาให้เราเข้าไปก็พื้นก็เหยียบแล้วก็มีแต่ตะปูต่ำเท้าแต่ไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะเข้าไปนอนก็แมงก็กัดมดก็ไตแปรงก็กวนแล้วดีไม่ดีเดี๋ยวก็ไม้จันทร์ตกมาครมข้ามเต็มไปหมดเลยเงี้ยถามว่าบ้านนี้เรายังรักต่อไปอีกไหมก็ไม่เอาแล้วไปเจอสมมุติโอ้ยคนนี้เราชอบเหลือเกินนั่งด่าเราอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวก็ตบเรามัางเดี๋ยวก็ตีเราบ้างเราก็เชิญออกบ้านแล้วนะใช่ไหมเพราะว่าถูกทั้งหลายจริงๆอ่ะที่เรารักภายนออกเเพรราาาะะจมบภยใน แล้วแต่บางพวกก็ถือให้บำเรอทางตาเอาไว้ดูต่อไปเป็นของเล่นดูท mm hmm. วารตาบางทีก็เออเอาไว้บำเรอทางหูใครซื้อเครื่องเสียงมาเป็นประดับมั่งใครซื้อเครื่องเสียงแต่ผ้าเอามาติดข้างบ้านเฉยเฉเอาไหมไม่เอาเพราะมันสิ่งนั้นเอาไว้บำเรอทางหูบางอย่างสีวสวยๆเอาไว้บำเรอทางตาบางอย่างก็เป็นน้ำหอมเอาไว้บำเรอทางจมูกบางอย่างก็ไว้บำเรอทางลิ้นทีนี้เพราะเราชอบสีสเสียงกลิ่นรสเนี่ยนะเราจึงปจไปจ้างแม่ครัวมาให้ทํารสอร่อยรให้เรากิน จริงๆก็ติดภายในนั่นแหละพระ้าคนที่ไม่ติดภายในเลยทั้งภายในทั้งภายนอกเราก็ดูพระอริยเจ้าเป็นตัวอย่างดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างนั่นคือผู้ที่ไม่ติดทั้งภายในและภายนอกแต่หมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะผู้ที่ไม่ได้ทําปริญญาผู้ที่ไม่เห็นอริยสัจพูดไม่ได้เราว่าเขาไม่ติดนะนะเหมือนไม่ติดเนี่ยนะทำเหมือนไม่ติดแต่จริงๆแล้วติดมากดูจากอะไรห่างไปพักหนึ่งเดี๋ยวก็คิดถึงเดี๋ยวก็คิดถึง อันนั้นเอาจิตไปเกาะไว้กับสิ่งนั้นบ่อยมากเลยนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็คิดถึงเดี๋ยวก็คิดถึงบอกไม่อะไรไม่อะไรแต่คิดถึงบ่อยนี่แปลว่าอะไรอันน้แปลว่าเยื่อใยอันนั้นก็สรรหาคำพูดมาเหมือนหมดกิเลสอย่างนั้นเะเหมือนหมดชันธราคะขอถามพระอาจารย์ว่าแล้วอย่างนี้ความหมายคือถ้าเราเป็นคนที่เหนียวแน่นด้วยกรรมคุณทั้งหลายภายในหรือภายนอก ที่จะกำจัดความกิเลสเหนียวแน่นขนาดนั้นอันดับแรกคือต้องพิจารณาภายในเพื่อให้ใหติดตั้ง ค, คือเหมือนคล้ายๆยิงนกสองอยิงตัวเดียวให้ตายาทีเดียวสองส <า S 1> ตัวใช<า>่อย่างนั้นได้ดีช็อตคั t ใช่ัหมคะคือบางคนเนี่ยนะมั น, มนพูดแบบแบบลักษณะนี้ว่าบางคนเนี่ยเมื่อใจคิดถึงแต่ภายนอกเนี่ยนะจะดึงกลับมาหาภายในก็ไม่ใช่ของง่าย เพราะพวกนี้คิดถึงแต่ภายนอกเพราะว่าเจโตวินิพันธะเครื่องผูกพันใจมีหลายประการบางพวกติดพันในกายมากรักตัวเองที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นวันวันหนึ่งจะแต่งแต่ตัวนะแต่งกังกับผมจดเล็บแต่งกันเล็บขึ้นมาผมแต่งแล้วแต่งอีกแต่งนะผ้าก็เปลี่ยนแล้วนะแต่เปลี่ยนทุกชั่วโมงเป็นต้นเนี่ยนะคือรักภายในมาก บางพวกรักภายนอกมากเช่นมีลูกมีหลานก็แต่งไปลูกแต่งแต่หลานปัดอยู่นั่นปัดแล้วปัดอีกเช็ดแล้วเช็ดอีกป้อนแล้วป้อนอีกให้กินแล้วช่วงนั้นกำลังรักภายนอกมากแต่ถ้าลูกหลานเนี่ยนะมันมันเป็นเหมือนกับว่าเด็กคนนั้นเป็นศัตรูของเราเชื่อเหรอยังไงเราก็ไม่เลี้ยงเขาเพราะเราก็ยังรักภายในยอยู่นั่นแหละลึกๆ สมมติถ้าอย่างมาเออคนนี้เป็นลูกเราเป็นหลานเราเป็นญาติเรานะแต่คําที่เรียกเราแต่ละคําเนี่ยนะมันมทําใจไม่ได้เลยนะเป็นคําที่เรารังเกียจที่สุดถามว่าเรายังชอบวัตถุนั้นไหมเราก็ไม่ชอบเนี่ยนะเพราะจริงๆเนี่ยนะก็บอกสมมติเรารักเขามากเลยนะถ้าเราจะดูเขาเขาเอาอะไรมาทิ่มแตตาเราอย่างนี้นเราพอใจไหมเราก็ไม่พอใจสรุปว่ารักทั้งภายในและภายนอก